อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ197 1. ิภิกษุชั้นบิณฑบาต ท, ที่เครือข่าปราลบไว้ก่อน 2. ภิกษุชั้นบิณฑบาต ท, ที่สิกขามานาแนะนำให้จัดเตรียม3าภิกษุชั้นบิณฑบาต ท, ที่สมัมเนรีแนะนำให้จัดเตรียม 4. ภิกษุชั้นอาหารทุกชนิดยกเว้นโพชนะ5 5. ภิกษุวิกลจริต6ภิกษุต้นบัญญิปริปาจิตตสิกขาบทที่9จบ